หมพ่อมีความตั้งใจหวังดีจึงแนะนำให้เราท่ันบ้าวหวังดีกีแนะนำให้ยังฟังแล้วจำไปปฏิบัติแม้ยังไม่แนววังแล้วทึ่งคือโอ้บาก็นได้ผลแล้วยังสั่นวิธีปฏิบัติของพวกเหาือนี่นะวาป็นแก้การกระทาบวปิด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 เอออูนี่เป็นพระได้เลยนเป็นของกานได้แทะได้ผมผู้ที่เป็นเด้าหน้าบุคนี่นำา้อให้ผมจริงเดินไปเดินมาอีกสิบวันนา่งครับเจักเป็นพระได้แล้วกลับไปกับมายันนานผมคิดว่าบุเกินยี่สนาทีจิตใจผมว่างเป็นหมาออีกสิบหนึง่งเห็นกิเลส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 ไปบักเอายามีเอาอ Home, มะกัน้ like นเ้าเนี่ยไปเกี้ยวออก่ื้อกับไปทาคนนวนติดมือยำมนักขนุนเนี่ยกระเจี๊ยบหุ่นจากขันมะขามีมขนุน ouais แ่เดียวครับติดมือติดมาออกเอาน้าไปล้างมันไ่อยากออกแล้ววันนี้ผู้ใหญ่คุณบมึงจะให้ดังสันแม่อท่ยังไงเอาน้ามันแก๊บน้มันแก๊บน้มันกาดนี่ก็น้ามันเป็นซินน้มันมูอุ่น น้ำมันกระดำซางมันกระจับมานหกเต็มมือมันออกรถอ่เนี่้านดูเท้าผูแก่ค่ะเจ้าเคยด้วยมึรู้จักวันนี้เอาน้ำมันแก๊สน่ะมันกาดมัใส่กับหกออกรถหรือที่มีน้ำมันหมูกระดำซางบ้านเฮามันชอบเทศน้ำมันหมูทอดไว้บ้านพแล้วก็น้ำมันดิบ้นแล้วก็มีเนน้อยแล้วมาไว้ทุกอย่างหมักไส้จะแสนเดียว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 คิดถึงอยู่เพราะมันเคยเห็นเคยทำด้คิดถึงวุนมีและบะหมี่เพราะกิเลสมันมีนอยู่ขั้นเดีวยดวดิมีแต่ตันหาผลยาอุปท า, านยึดคิดพอดคิดทะยอนอะไคิกยากของมันตำเพื่อเอื้นวยบากบ่ได้ทำอย่างพ้งวานีย่างส ม, มุดเอานะครับบางคนนอนตื่นมาแล้วเก็บนั่นเก็บนี่สามสิบนาทีสี่สิบชั่วโมงนึงก็บแล้วนะ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 คิกับญาตมันแล้วมันบนมีประโยชน์แล้วคิดผมยงว่าอันความคิดเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยมันใส่หดเนี่ยอันว่าอยู่นี่นะอดีตอนาคตใส่หดเลยปัจจุบันนี่ยังว่าอันผมว่าให้ฝั่งสูนซูนูเนี่ยบ่เข้าใจว่าเอาอาดีตอนาคตไปใกล้กันให้เอามาไว้ใกล้กันเนี่ยเอาตกิเลสเนี่ยกับตตัณหาตอุปทานเนี่ย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 กิเลสย่างกลางเข้ามาแบบนีกิเลสตัณหาอุปาทานนี่เด้มันหนักอันตัวโกรธมัอันนี้มันบริยักษ์พงบริยักวางตัวกิเลสย่างย่างกลางเนี่ยมันบริยักษ์เสามันบริยักเลิกนี่กิเลสย่างกิเลสย่างละเอียดอะไรสนะหมายถึงปกติได้ที่เป็นอนุสัยแล้วก็เลิกได้กิเลสย่างละอี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 เกิดปัญญาเหตุอย่างตนางประเทศอันนี้ผมว่าเอื้อนอารมณ์อารมณ์ของอภิปักษณาวนี่อารมณ์ยั่งที่อย่างนรวานี่อารมณ์เป็นทักเป็นทักไปโ อ, อย่างว่าเขียนหนังสือนั้นบอกว่ามาทางนี้นี่เขียนหนังสือไว้เล่น ม, มงมาทางนี้มันไปทางนั้นมันบุญูกเอาไปภาวนาคุตโธบ้างสัมมาอรหังบ้าง นับหนึ่งสองสาบ้างของนุกบ้างดูลมหายใจบ้างนุกเอาพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียคุณหมาในหัวใจดีบ้างนุกเอาลุกแก้วหรือพระพุทธ ร, รูปลอยเข้ามาสวมสัวเฮานี้ไว้คือเสื้อคือผ้านี่แต่อันนั้นโบแม น, น, น, น, ม, นมันคิดเอาซื้อหวัคิดทำมันล อ, อกเขาโบแมน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 ตัวเหวนี่หละมันดีอยากจะหวักให้เขาลดประทานที่เขาลบบุคคลของบานแล้วที่จริงเาลบตัวเหานี่แล้วเพราะว่าเหาเป็นพระทานเลยเด้ ย, ดยกมือไหว้ตัวเองมือซาวขึ้นเลยคุณยกมือไห้เลยทีเดีวโอ้กูนี่มันดีป่านนี้น่าจะมันมีเพร็รมีทองคาเจรไหนได้แล้วบบ น, นี้เอาไปขายราคาก็าาแพงนี่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 ตอนนี้เศรามาแบนี้ทําไปทํามาผมก็รู้จักเห็นรู้เข้าใจจริงจงเมื่อเข้าใจสมถะกรรมฐ า, ามนแล้วมันบกตายมันมุดตื้อยูภายใจิตใจมันเป็นอะไรมันบบากใจก็เลยเห็นการกระทําบาสนี่แหละการกระทําบาสเอามือไปตีปากเบาๆใจบริสุทิ์ มันเหตุไปสืบื้อเหตุตามอารมณ์ให้อุเนี่ยตกิเลสเขาบได้หุจกกักว่ามันเฮ็ดเด้กิเลสมันพาเหตไปดิถ้าหากเาล่มมจริงๆกันตายไปแล้วไปตกนรกคุมใดนานจากปีจากเดือนบ่นบ่เหนียววได้เจตนาวด้เห็นคําพูดตัวเหตุไปตามนิสัยกิเลสให้วเดไปว่าไปตามนิสัยกิเลสเปน่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 นานจากปีจากเดือนความอั น, นบัดนี้มือกระทำปากกระว๊าใจก็ะคิดพร้อมกันมันถ้าหากนรกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกคุณได้นานจากปีจากเดือนเข้าใจอย่างาต่ำก็เลยตื้ อ, อยู่ข่าวนึงมีคนสว่างเกิดเคลิ้นขณะจิตใจอึดอโอ้ถ้าหากทำบุญมั น, น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 อยงว่าตัดกิเลสเนี่ยมันเอาเอาจริงจังๆวันนี้ถ้าสวรรค์มีจริงแจะเกิดสวรรค์ก็ไหนนานจากปีจากเดือนบันนี้ป้ากบาเบามือเบาๆมีแต่ใจคิดซื้อใจคิดแต่ต่างกิเลสๆจะหากบุญจากกิเลสมีส LEGO แต่ตางกิเลสถ้าสวรรค์มีจริงเนี่บบ่นตายไปเลยจะเกิดสวรรค์นานจากปีจากเดือน